ถมบทแปลเรื่องที่187เรื่องภิกษุชื่อจุลสารีข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบสัตธิวิหาริกของพระสารีบทเถระชื่อจุลสารีจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสุชีวังอหิริเกณนะ เป็นต้นตอนพระจุลสารีได้โภชนะเพราะทำเวชกรรมดังได้สดับมาวันหนึ่งพระจุลสารีนั้นทาเวชกรรมแล้วได้โภชนะอันประนีตแล้วถือออกไปอยู่พบพระเถระในระหว่างทางจึงเรียนว่าท่านครับโภชชนะนี้ กระผมทำเวชกรรมได้แล้วใต้เท้าจักไม่ได้โภชนะเห็นป่านนี้ในที่อื่นขอใต้เท้าจงฉันโภชนะนี้กระผมจักทำเวชกรรมนำอาหารเห็นป่านนี้มาเพื่อใต้เท้าตลอดการเป็นนิจพระเถระฟังคำของพระจุลสารีนั้นแล้วก็นิ่งเฉยหลีกไปแล้ว ภิกษุทั้งหลายมาสู่วิหารแล้วกราบทูลความนั้นแด่พระศัสดาตอนผู้ตั้งอยู่ในอเนสนกรรมเป็นอยู่ง่ายพระสัสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาบุคคลผู้ไม่มีความละอายผู้ขนองเป็นผู้เช่นกับกา ตั้งอยู่ในอเนสนา21ออย่างย่อมเป็นอยู่ง่ายส่วนบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตปะย่อมเป็นอยู่ยากดังนี้แล้วได้ทรงภาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่าสุชีวังอหิริเกนะกากะสู่เรนะทังสีนาปักขั้นดินาประคับเพนะ สร้างกิริเทนะีวิตังหิริมาตาจดุจีวังนิจจังสุจิกเวสินาอาลีเนนาป ะ, นะัพเณสุธายีเวนปั ส, สตาอันบุคคลผู้ไม่มีความละอายกล้าเพียงดังกามีปกติกมจัดคุณผู้อื่นมักเล่นไปเอาหน้าผู้ขนอง ผู้เศร้าหมองเป็นอยู่ง่ายส่วนบุคคลผู้มีความละอายผู้สแสวงหากรรมอันสะอาดเป็นนิดไม่หดหูไม่ขนองมีอาชีวะหมดจดเห็นอยู่เป็นอยู่ยากตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอะฮิริเกนะคือผู้ขาดหิริและโอตัะปะก อธิบายว่าอันบุคคลผู้เห็นป่านนั้นอาจเรียกหญิงผู้มิใช่มารดานั่นแล ว, ว่ามารดาของเราเรียกชายทั้งหลายผู้มิใช่บิดาเป็นต้นนั่นแลโดยในเป็นต้นว่าบิดาของเราตั้งอยู่ในอเนสนา21อย่างเป็นอยู่โดยง่ายบทว่ากากะสู้เรนะได้แก่ เช่นกาตัวกล้าอธิบายว่าเหมือนอย่างว่ากาตัวกล้าใครจะคาบวัตถุทั้งหลายมียาคูเป็นต้นในเรือนแห่งตระกูลทั้งหลายจับณที่ทั้งหลายมีฝาเรือนเป็นต้นแล้วรู้ว่าเขาแลดูตนจึงทำเป็นเหมือนไม่แลดูเหมือนส่งใจไปในที่อื่น และทาเป็นเหมือนหลับอยู่กำหนดความเผลอเรอของพวกมนุษย์ได้แล้วก็โลรงเมื่อพวกมนุษย์ไล่ว่าสุ้ๆอยู่นั่นแลก็คาบเอาอาหารเต็มปากแต่พาชนะแล้วบินหนีไปฉันใดแม้บุคคลผู้ไม่มีความละอายก็ฉันนั้นเหมือนกันเข้าไปบ้านกับภิกษุทั้งหลายแล้ว ยอมกําหนดที่ทั้งหลายมีที่ตั้งแห่งยาขู่และพัดเป็นต้นภิกษุทั้งหลายเที่ยวไปบินทบาทในบ้านนั้นรับเอาอาหารสักว่ายังอัฐภาพให้เป็นไปไปสู่โรงฉันพิจารณาอยู่ดื่มยาคู่แล้วทำกรรมฐานไว้ในใจสาธยายอยู่ปัดกวาดโรงฉันอยู่ ส่วนบุคคล น, นี้ไม่ทำอะไรอะไรเป็นผู้บ่ายหน้าตรงไปอย่างบ้านแม้เขาถูกภิกษุทั้งหลายบอกว่าจงดูบุคคล น, นี้แล้วจ้องดูอยู่ทำเป็นเหมือนไม่แลดูเหมือนสงใจไปในที่อื่นเหมือนหลับอยู่ดุดกลัดลูกดุมทำทีเป็นดุดจัดจีวรพูดว่า การงานของเราชื่อโน้นมีอยู่ลุกจากอาสนะเข้าไปบ้านเข้าไปสู่เรือนหลังใดหลังหนึ่งบรรดาเรือนที่กำหนดไว้แล้วแต่เช้าเมื่อหมู่มนุษย์ในเรือนแม้งแง้มประตูแล้วนั่งกรอได้อยู่ริมประตูเอามือข้างหนึ่งผลักประตูแล้วเข้าไปภายในลาดับนั้น มนุษเหล่านั้นเห็นบุคคล น, นั้นแล้วแม้ไม่ปรารถนาก็นิมนต์ให้นั่งบนอาสนะแล้วถวายของมียาคูเป็นต้นที่มีอยู่เขาบริโภคตามต้องการแล้วถือเอาของส่วนที่เหลือด้วยบาทหลีกไปบุคคล น, นี้ชื่อว่าผู้กล้าเพียงดังกาอันบุคคลผู้หาหิริ มีได้เห็นป่านนี้เป็นอยู่ง่ายบทว่าทังสีนาความว่าชื่อว่าผู้มีปกติกาจัดเพราะเมื่อคนทั้งหลายกล่าวคำเป็นต้นว่าพระเถระชื่อนอนเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยกาจัดคุณของคนเหล่าอื่นเสียด้วยคำเป็นต้นว่าก็แม้พวกเรา ไม่เป็นผู้มีความปรารถนาน้อยดอกหรือก็มนุษย์ทั้งหลายฟังคำของคนเห็นป่านั้นแล้วเมื่อสำคัญว่าแม้ผู้นี้ก็เป็นผู้ประกอบด้วยคุณมีความเป็นผู้ปรารถนาน้อยเป็นต้นย่อมสำคัญของที่ตนควรให้แต่ว่าจำเดิมแต่นั้นไป เขาเมื่อไม่อาจเพื่อยังจิตของบุรุษผู้รู้ทั้งหลายให้ยินดีย่อมเสื่อมจากลาบแม่ น, นบุคคลผู้มีปกติกาจัดอย่างนี้ย่อมยังลาบทั้งของตนทั้งของผู้อื่นให้ชิบหายแท้บทว่าประดกินาความว่าผู้มักประพฤติลั่นไปคือผู้แสดงจิตของคนเหล่าอื่น ให้เป็นดุจกิจของตนเมื่อภิกษุทั้งหลายทำวัดที่ลานพระเจดีย์เป็นต้นแต่เช้าตรูนั่งด้วยกระทำไว้ในใจซึ่งกรรมฐานหน่อยหนึ่งแล้วลุกขึ้นเข้าไปบ้านเพื่อบินทบาทบุคคลนั้นล้างหน้าแล้วตกแต่งอัตภาพด้วยอันห่มผ้ากาสาวะมีสีเหลืองยอดในตาและทาศีสษะเป็นต้น ให้ประหารด้วยไม้กวาดสองถึงสามทีเป็นดุดว่ากวาดอยู่เป็นผู้บ่ายหน้าไปสู่ซุ้มประตูพวกมนุษย์มาแต่เช้าตรู่ด้วยคิดว่าจะไหวพระเจดีจะกระทำบูชาด้วยระเบียบดอกไม้เห็นเขาแล้วพูดกันว่าวิหารนี้อาศัยภิกษุหนุ่มนี้จึงได้การประครับประคอง ท่านทั้งหลายยาละเลยภิกษุนี้ดังนี้แล้วย่อมสำคัญของที่ตนพึงให้แก่เขาอันบุคคลผู้มักเล่นไปเช่นนี้เป็นอยู่ง่ายบทว่าประกับเพนะความว่าผู้ประกอบด้วยความขนองกายเป็นต้นสองบทว่าสร้างกิริเทนะชีวิตตังความว่า ก็อันบุคคลผู้เลี้ยงชีวิตเป็นอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้เศร้าหมองแล้วเป็นอยู่การเป็นอยู่นั้นชื่อว่าเป็นอยู่ชั่วคือเป็นอยู่ลามกแท้บทว่าฮิริมตาจะความว่าอันบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตปะเป็นอยู่ยากเพราะเขา ไม่กล่าวคำว่ามารดาของเราเป็นต้นกับผู้หญิงผู้มิใช่มารดาเป็นต้นเกลียดปัดจจัยที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบธรรมดุดคูดสแสวงหาปัจจัยโดยทำโดยเสมอเที่ยวบินทบาดตามลำดับตรอกสำเร็จชีวิตเป็นอยู่เศร้าหมองบทว่าสุจิเกเวสินาความว่า สแสวงหากรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นอันสะอาดบทว่าอลีเนนะความว่าไม่หดหูด้วยความเป็นไปแห่งชีวิตสองบทว่าสุทธายเวนะปั ส, สตาความว่าก็บุคคลเห็นป่านนี้ย่อมเป็นผู้ชื่อว่ามีอาชีวะหมดจด อันบุคคลผู้มีอาชีวะหมดจดแล้วอย่างนี้นั้นเห็นอาชีวะหมดจดนั้นแลโดยความเป็นสาระย่อมเป็นอยู่ได้ยากด้วยอำนาจแห่งความเป็นอยู่เศ้าหมองในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องภิกษุชื่อจุลสารี